ก็ให้เคารมยังวงพ่อกรมบุเพนประธานก็อกาศประเทลานุเทละและก็เพื่อนสาสร์ธรรมิกที่เคราบรบทุกๆกลูปมเจริญพรญญาเจริญธรรมญาจอมญาธรรมในอดธรรมที่มาธรรมัดเย็นร่วมกันทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองสิงหาคมช่วงเย็น ศักลา 2,556 แล้วก็ทำ ม, มาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของไตามานแรกในเทศกาลการเข้าพรรษาที่ป่าสุขโตเราก็มาเรียนรู้ศึกษาชีวิตของเรากันเรื่องของรูปน้ำขันหน้ากายใจของเราเนี่ยที่มันเกย แสดงออกเป็นอาการทางกายทางใจรูปธรรมนามธรรมเป็นสุขเป็นทุกข์ให้มันเหมือนกับว่าเกิดความแต่งฉานเดินตามรอยที่เป็นคําสั่งคําสอนขององค์สมเด็จฯมหาเจ้ชาหรือว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็ตามอย่าชาในบรรยากาศก็อบอุ่นนะที่เราทําวัด หลวงพ่อเขียนอาจารย์ไปสารก็ดูเป็นสามีคิดที่ทำให้เราได้เหมือนกับว่าเห็นเจตนารมหรืวว่าในแง่คิดมุมมองของพระหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ท่านก็นเน้นให้เราได้กลับมาศึกษากายใจเราเป็นเรื่องของสัจจะความจริง พูดเรื่องอื่นมันก็ไม่สะดวกไม่ถ น, นัดนะแต่พูดถึงตัวปฏิบัติจริตสติฝึกสติเนี่ยรู้สึกว่ามันมันแสดงออกแบบสมค่านะที่เรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพอย่างหลวงพ่อเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยมหาเถเลเียนะประมาเทนะตวาละเยนะกตัง สัพพังอ布拉ทังกามตุโ น, โนพันเตยจนจามิสารนเราขึ้นต้นด้วยอาจาริเยมันต่างกันตรงไหนอาจารย์เยคืออาจารย์เราก็าลบท่านเป็นอาจารย์จนหลวงพ่อถือเป็นมหาเถระเป็นประธานแล้วท่านก็ให้ความอบอุ่นกับพวกเราจนจามิสาไปสารท่านก็ชี้ให้ถึง ประยชนตอนประโยชน์ท่านที่เราเพื่อกระทําต่อกันความกนลบไม่เว้นธรามีคุณธรรมอยู่ในตัวไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับรรษาเราฟังแล้วก็ซาบซึ้งนะมันก็คือวันนี้ของเราที่เรานํามาปฏิบัติเลยหลังจากฟังไม่ได้ฟังเฉยๆก็น้อมปฏิบัติกันมีเด็กเราก็กนลบเด็กมีคนโตแล้วก็ลบคุณธรรมของเขาเด็กก็กนสนแบบเด็กก็เป็นแบบอย่างให้กับเรา คนโตที่ทั้งอกตั้งใจรู้ลาตีนานอาจจะเป็นศีล5ศีล8ศีลอะไรก็ตามเถ่าลอยความเคารพอโหเขาขยันเดินจงกลมนั่งสร้างจังหวะตื่นตั ว, ต, ต, วตื่นตัวกันอยู่นะเราก็จึงเข้าถึงสภาวะของสยดทำความจริงหรืองม้กระทั่งเมื่อเชา้าอาจารย์เปสารนั่นพูดถึงเรื่องว่าการให้ความเคารพทำเนี่ยนะ เขาลบวินัยมันมีก็บันอยู่นอกจากบุคคลแล้วเขาบทํเการบวินัยก็อ้างถึงองค์สมเด็จสามาลเจ้ามีพระที่ชื่อว่านันตกะกำลังเทศท่านก็จะนิ่งอย่างเง้นะท่านนิ่งไม่เคลื่อนไหวหไม่เดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยเาลบพระธรรมแต่เราได้ฟังแล้วก็น้อมมาปฏิบัติด้วยชุมชนก็เป็นเรื่องของความไม่เสื่อมหรือว่าการสืบทอด เดินตามรอยเหยียบลอยไปจนกระทั่งเป็นช่องเป็นร่องเป็นทางเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลมันจะเกิดจากความรู้เน้อรู้ตัวรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติมันก็ต้องได้ตัวปฏิบัติขณะต่อขณะเราเคลื่อนไหว ร, รู้สึกตัวเราเดินจงกรมเรานั่งยกมือติดสี่ใว่าดูลมหายใจท้องพองยุบมันก็ต้องได้ความรู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวขนาดหนึ่งขนาดหนึ่ง เราก็เสริมเพิ่มเติมเต็มอุดรู้ลวให้จิตมันเหมือนกับว่าเป็นปกติทำอยู่ตลอดเวลาเวลาลยเท่าที่เราจะฝึกหัดตามกําลังของสติของปัญญาของแต่ละบุคคลสมควรแก่การวิบัติธรรมมาสมควรแก่การวิบัติก็ปรากฏขึ้นมาเราก็จึงไม่ใช่ว่าทําไปง่วงไปอย่างวันนี้มีคนทําแล้วก็ง่วงนะเป็นประทำนะเดินจนคองแล้วนะนีคองอันใหญ่ หัวโนเลยเนะีมันขนาดนั้นนะ่ะเดินไปเดินมารู้สึกตัวจนคองหัวโนอายก็อายทํารู้จะทำไงกับมันเดินไปแล้วอย่างเนงะี้ยนะหรือว่าบางทีเราปฏิบัติมันก็เกิดปริโพเ์ขึ้นมาเช่นคนใหม่ๆที่เพิ่งมาน่ยมันก็ต้องกังวลแน่นอนอนะเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่เนี่ยนะนะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของหมู่ญาติหนะรือว่าหมู่คณะที่เราเคยคุกคีเงี้ยนะมันจะต้องปรากฏขึ้นมาคิดถึงนึกถึง คิดถึงเรื่องของการเดินทางเมื่อมาม า, มาถึงแล้วกลับจะกลับยังไงจะมีรถกลับหรือไม่ปริพจน์กลางวันถึงอาการเจ็บปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอาการไอาอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวหลังจากที่เราขึ้นมาอยู่ที่นี่มันหนาวอากาศมันเย็นเฉยยุงก็ชมุมนันก็ปริพเทศไปเรื่องการศึกษาเห็นว่า เรามาปฏิบัติยังก็จะนึกถึงปัตยปิดกยยัยนะึนึกถึงว่าเอ๊ะมันมีในคําสอนหรือเปล่าเงี้ยหรือว่าทิฏฐคูบาอาจารย์ท่านเทศอยู่มันอยู่ตรงไหนของปัตยปิดกก็ไปเปิดค้นหาอ่านมันจะเกิดขึ้นมาได้นั่นคือปริโพนธนึกถึงอะไรมากมายเหลือเกินที่จะพาให้เราเหมือนกับว่าไม่รู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยก็เลยว่าเหมือนกับว่า เราตั้งใจจะไปซื้อฐานใส่นาฬิกาอางนี้เป็นต้นปรากฏว่าไปถึงจริงๆมันก็ไม่ได้สนใจฐานใส่นาฬิกาเห็นวุ้นเส้นก็ซื้อวุ้นเส้นเห็นไอเชโดก็ซื้อไอเชโดเห็นสบู่ซื้อสบู่เห็นกันไกซื้อกันไกเห็นอะไรก็ซื้อมาเต็มไปหมดไม่ได้หรอก ให้ทานใส่นาฬิกาอะไรอะไรก็ได้มาหมดนะแต่ว่าทานใส่นาฬิกาลืมไปบางคนไปซื้อทานใส่นาฬิกาก็ได้ทานใส่นาฬิกาจริงๆเป็นต้นบางคนรู้สึกตัวก็ใส่ลงไปที่ความรู้สึกตัวสัมผัสรู้รู้สึกจริงๆมันก็เลยเป็นเรื่องของประสบการณ์ดี่เราจะต้องฝึกหัดต้นสอนต้นกันหรือ บ, บางทีเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราทำนะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอย่างเง้ยนะ เพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะธรรมะมันกำลังเป็นอย่างสิที่ทมันกําลังปรากฏกําลังเกิดขึ้นเป็นปฐมนขณะจริงๆกำลังเป็นจริงๆสัมผัสรู้มันก็รู้จริงๆเวลามันง่วงขึ้นมาเงี้ยมันก็กําลังปรากฏจริงๆแต่เราไม่อยากให้มันง่วงไงตัวปัญหาเกิดขึ้นมาปัญหาก็ไม่อยากให้ง่วงอย่างเช่นฟังเทศฟังธรรมนะไม่อยากง่วงที่พูดถึงสภาวาธรรมก็ต้องง่วงนะนะเป็นอย่างนั้นจริงจากนั้นก็มีเรื่องเล่ากันว่านะบางทีพระเทศนะนะ หลังจากตายไปเนี่ยไปอยู่เป็นเทวดาชั้นต้นๆแต่นั่นแหละทำไมเดี๋ยวฟังต่อไปบางทีคนขับรถเนี่ยนะปรากฏว่าหลังจากตายไปคนขับรถเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงกว่าพระเองที่นั่งเททั้งวันเนี่ยนะสองคนที่ตายไปปรากฏว่าเทวดาก็คัดกันว่าใครควรไปอยู่สอนชั้นไหนคนขับรถมาอยู่ชั้นดุสิต ส่วนพระที่นั่งเทศอยู่นะประโยชน์ฉันจะตบมาหาราชิกาพระก็อุทธรเอ๊ะมันเป็นไม่ได้ยังไงนะผมโสซาเทศสอนคนมานับแสนนับล้านคนมันเป็นไม่ได้ยังไงสิ่งที่พูดก็เป็นสัญธรรมความจริงนั้นแหละเทวดาลําเอียงก็ตํานีเทวดาทเวาทวดาราชี้แจงว่าก็เวลาท่านเทศเนี่ย ลอาสังเกตดคนนั่งหลับกันหมดเลยคําเทศคําบอกคําสอนนะทให้คนได้นั่งหลับแทนที่จะตื่นฟังเทศฟังธรรมจิตใจนะมีนิวรธรรมมัวสัวท่านเทศคําพูดของท่านได้แค่กดจิตคนเท่านั้นแหละก็ฟังแล้วก็ง่วงอา้าวแล้วคนขับรถล่ะโอยคนขับรถเนี่ยก็ขับรถเร็วมากผู้อาสาตื่นตัวไม่มีใครนั่งหลับเลย แล้วก็เตรียมคันก็คือเขานั่งสวดมนต์กันทั้งคันรถเลยโอ้ดีเนาะเวลานั่งรถเนี่ยตื่นตัวแล้วก็นั่งสวดมนต์กันหงสัมมาอันนั้นมันก็ใช่แบบคนที่เ็าเล่ากันแต่ว่าประสบการณ์ของการปฏิบัตินะเราจะเห็นว่าทุกๆอาการมันปรากฏขึ้นมามันเป็นสภาพทําที่เราเปฏิเสธไม่ได้เช่นเดินจงกรมประมาณ1ิบห้านาทียี่สิบนาที มันก็จะได้เห็นเลยทั้งเก่าทั้งใหม่นะมีความง่วงปลากรดขึ้นมาความเจ็บความปวดความเมื่อยเนหะมือนกันคนเก่าคนใหม่ก็ปลากดขึ้นมาคราว น, นี้ใครรู้ทันได้ไวแล้วผ่านได้ไวตรงนั้นนะะเป็นเรื่องของตาในทิมพัฒนาขึ้นมาเรื่องความคิดเกิดขึ้นมางี้แล้วก็มันสามารถผ่านได้ไวคิดปับรู้ทันได้เร็วสามารถดับไปทันทีทันใดที่ถูกรู้เท่ารู้ทันว่ากลับมารู้สึกตัว เพรนั้นเทคนิคปฏิบัตินี่เราไม่ได้ห้ามความคิดนะแล้วก็ไม่ใช่มาเฝ้าดูความคิดก็ไม่ใช่แต่เพียงว่าเราทําเรื่องเดียวคือมารู้สึกตัวหลังจากที่เรารู้สึกตัวเราจะเห็นว่าความคิดนเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็อันดับแรกกับปริพเทอน่ะนะอันดับสองก็คือพวกกลุ่มของนิวรธรรมต่างๆเกิดขึ้นไหมเช่นความงาานนามงงงงงงงนงงงงงงงสงสัยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรือทุกคนก็ต้องเจอกางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงนต่างๆ ตอนนี้มันก็ผ่านได้ไวขึ้นตื่นตัวได้เร็วขึ้นหูตาสว่างสวัยขึ้นหมเงี้่ถ้ามันเหมือนกับว่าความคิดนะมันเบาเบาบางบางไม่มีอำนาจตาเห็นมันก็เห็นเฉยเฉยหูฟังก็ฟังเฉยเฉยบางทีพอมันคิดขึ้นมาแล้วก็อ๋อมันคิดมันรู้แล้วอ๋อนี่คือความคิดอนยะ่างเงี้ยมันไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่จิตปกติจิตกลาลังเผลอหลงข่าวสติลงไป เข้าไปในอารมณ์การคิดการปรุงเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่เกิดจากฐานกายนั้นมันจะเป็นความรู้สึกตัวที่เราสามารถที่จะเอาเป็นหลักของกรรมาฐานได้ตลอดเวลาการนัง่งการเดินการยืนการนอนตลอดเวลาจะอยู่ตรงไหนก็ตามจะทานข้าวฉันข้าวหรือว่าอาบน้ําอาบทา่าล้างหน้าแปรงฟันเงนี้เราก็ได้เห็นอ๋อความรู้สึกตัวทุกครั้งที่เกิดการกระทบสัมผัสรูปแบบ ปล่อยๆวางๆมันเคขึ้นมาก่อนแล้วถ้ารู้แบบยึดยึดมันก็หนักๆเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสติปัฏฐานมันจะเป็นละนาของระนา ก, การเข้าไปในอาการต่างๆตาดูก็อินเข้าไปในรูปหูฟังก็อินเข้าไปในเสียงหลงก็ไปเป็นผู้เป็นอะไรภาษาลงควอมเขียนแต่พอเรารู้สึกตัวรู้จิตปกติมันจะกลายเป็นผู้ดูผู้เห็นเห็นแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเป็น อาการต่างๆ ต, ตัวการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เป็นตัวการเคลื่อนไหวเกิดความคิดไม่ได้เข้าไปเป็นตัวความคิดเกิดความ ง, ง่วงไม่ได้เข้าไปเป็นตัวความ ง, ง่วงนะตัวนี้แหละมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเห็นตัวเราตลอดไปรับเวลานะตอนที่มันจะสามารถเห็นได้เราก็เลยใช้นเะทศกาลการเข้าพรรษานะมาอยู่รวมตัวกันแล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละสอบปลายะนะที่มันมีอยู่ในพื้นที่นี้ ายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความสะดวกเป็นความสะดวกเป็นความสบายเราก็ใช้เป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มันเกื้อกูลกับการจริสติปัฏฐานร่วมกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็กลับมา ห, าหาการเกินการไหวที่เราเจตนากระทำอยู่อนั้งเราเห็นความคิดเริ่มจัดระเบียบความคิดได้มันจะเกิดความเป็นเองขึ้นมาเช่นบางทีมีมความคิดแบบ สิ่งที่เราเคยทามาเป็นจิตสํานึกเคยทําให้ดีมาเนี่ยมปรากฏมาฉายมาบ่อยหรือบางทีมันเป็นเรื่องของความคิดนะีที่เราเคยอยู่อย่างสะดวกภาษาศา ส, าสนาเขาเรียกว่ามาร น, นะนะความสบายความสะดวกแต่ว่ามันไม่ได้รับความสบายความสะดวกมันก็เลยมีลักษณะของมานที่เป็นเทวตุปุตมานนะแสดงออกมาให้บางคนมาวันแรกๆอย่างเช่นกลุ่มที่เพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยนะ เมื่อเกินก็อาจจะยังนอนไม่หลับปรับที่ปรับทางปรับกายปรับใจก็ที่นอนหมอนมุ้งต่างๆในห้องนอนรวม อ, อากาศต่างๆมันยังแปลกที่แปลกทางอันนี้ก็หมายถึงตัวเทวพุตธมานหรือว่าอาการที่มันแสดงออกมาพอเริ่มต้นจะมาสร้างจังหวะมาฝึกหัดเป็นบัตมันก็ไม่สบายภาษ า, ษาสั้นๆก็เรียกว่าคันธามานนั่งแล้วก็เจ็บแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยไงนะ สบายร้อนสบานหนาวเวลาปฏิบัตทิทำรุมรุมร้อนร้อนหนาวหนาวมีอาการเหมือ น, นจะเป็นไข้ที่นิ่มจะเกิดขึ้นมาวัดป่าสกุโตนอาการประเภทนี้สังเกต ด, ดูหรือว่าเวลาโพเพระหว่างสี่โมงถึง6กโมงนี้ถ้าเราลองนอนดูคล้ายกับนอนมันไม่ไหวมันเพลียตลอดเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีอาการรุมรุมเหมือนจะเป็นไข้นะเกิดขึ้นมา โบราณท่านว่าเวลาผีตากพระอ้อมอย่านอนนอนแล้วจะจับไข้ป่วยไม่สบายมันก็จะเป็นลักษณะหเหตุการต่างๆของกายของใจที่ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความพอใจความไม่พอใจความโลภความกดความหลงขึ้นมาสิ่งที่ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาง่ายคือหิวนะหิวตอนเย็นๆเราเคยได้รับทานเนี่ยมารับสินแปดบ่อยๆ บ, บ, บางทีกลางวันอาหารไม่พอไม่หิว พอเหี่ยมก็งดหงิดขึ้นมาเงี้ยกี่แล่เกิดไงรู้ว่าเหน่อยวิงทีทํางานเหนื่อยเนื่อยทั้งวันแล้วเดินจมคมเหนื่อยเหนื่อยเอาจริงเอาจังเงี้นะเมืม่อวันกลางเย็นเย็นก็งดหงิดขึ้นมาเงี้ยเราก็ได้อาศัยบรรยากาศทําวัดจดมนณาผ่อนคลายหรือว่าบางทีสามโมงสี่มงแล้วก็หยิบไม้กวาดมากวาดเงี้ยนะมันก็ผ่อนคลายออกมาจากอารมณ์แล้วก็สังเกตเอามันมีเทคนิคใ น, ในการเยียบเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าคลายอารมณ์เราก็หามา การหิวทําให้กิเลสเจริญเติบต่อได้หรือว่าเหนื่อยเกินไปนั่งล่วงง่วงนอนอีกการง่วงนอนเนี่ยทำให้เกิดอาการงดงิดขึ้นมาแล้วก็เกิดโมโหตูโสไม่สบายไม่ได้ดั่งใจขึ้น้าเนี่ยเราสังเกตเอาเป็นครูเอาอารมณ์ปฏิบัติเอาอาการต่างๆพวกเนี้ยมาปรับสมดุลให้มันเกิดความพอดีขึ้นมลจนทั้งหมายว่าไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ไปหน้าไม่ไปหลังไม่ล่างไม่บนะ เกสมดุลขึ้นมาปกติธรรมดาธรรมชาติแล้วการก็ผ่านวางก็ผ่านไปรูปรดกินเสียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอุณหภูมิผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฝนตกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยุงมายุงชุมยุงมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปวันทั้งวันมีแต่ธรรมชาติที่มันไหลลื่นเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงี้นะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเหตุการณ์เหล่านั้นน โดยความเป็นจริงก็คือไม่ได้ผลักไสหรือไม่ได้พอใจไม่พอใจไก ว, ว่าเข้ามาบางทีมก็มีอารมณ์สงบเกิดขึ้นมาปีติเกิดขึ้นมาอารมณ์ความสุขเกิดขึ้นมาขณะปฏิบัติโล่งโป่งเบาภาษาธรรมะเรียกว่ากายรูตาจิตตารูร้ตาบางทีเดิน น, น, นีน่มันเบามัยกมือนั่นเบาไันเลยมันเบาของมันเลยละ่ะเราก็โอ้ดีจังดีจังเนี่ยนะประคองไว้ อันนี้มันก็ให้เห็นเป็นลักษณะของธรรมชาติธรรมดาที่เราไม่ได้เข้าไปเอาเป็นความพอใจหรือว่าไม่พอใจบางทีมันก็มีอาการหนักๆหนักเบาๆก็ดูเป็นเพียงแค่อาการจนทางเหมือนกับว่าคุ้นชินเห็นจนคุ้นชินว่าวันทั้งวันก็มีอาการเหล่านี้แหละเราก็จะไม่ได้ใส่ชื่อ ว่านี่คือตัวปิติอันนี้คือตัวชื่อต่างๆความเบื่อความเหงาความเศร้าความเซ็งอะไรไงนะหรือเป็นอาการหนั ก, น ก, นก au, ๆเบาๆแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเราจะเห็นวนะ่าบางทีมก็หลุดคลายออกไปเช่นเวลายกมือสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมสักระยะนมจะหนักๆเนี่ยพอเราคลายนิดเดียวเช่นเงยมองช่องว่างก้อนเมฆรวมใบไม้มันจะเหมือนกับว่าจิตจะคลายออกจาหลงความม่วงเนี่ยเป็นต้น จนกทั้งเราก็เคยได้ยินได้ฟังจากพระสูตรที่องค์สมเด็จสัมมารถเจ้าเคยพูดกับพระโมกรลานะที่ท่านบำเพ็ญความเพียนแล้วก็ง่วงหรือว่าเวลานั่งข้างๆพุทธองค์แล้วก็แสดงความง่วงออกมาให้เห็นทั้งๆ ท, ที่บรรลุพาะโสดาบันเรียบร้อยแล้วขนาดนั้นพระเจ้าทรงถามว่าโมกขลาเธอง่วงมากเหรอพระเจ้าข่ากับเจ้าง่วงมาก ถ้าหาว่าเธอง่วงเนะ่ยเธอจงเริ่ดถึงคุณงามความดีนะมีความดีของเราแอะเริถึงหรือว่าเริ่ดถึงความดีของคนอื่นผู้อื่นก็ได้มันจะเกิดปีตีใจขึ้นมะาปิติเป็นร่องรอยทำให้จิตของเรามันตื่นได้มีความสุขขึ้นมาก็จะออกมาความง่วงจากนิวรธรรมเรียกว่าอากุศลกับกุศลน่นนะนะตัวอกุศลก็คือตัวง่วง ก็นะ น, นี้ถ้าขาดสติหลงเข้าไปก็เรียกว่าตัวอากุศลเหมือนกันมันก็บวกกนันก็มีน้ำหนักมากขึ้นเนะียแต่พอมีสติตื่นขึ้นมารู้สึกตัวรือว่าคิดดีเป็นจิตฝ่ายกุศลมันจะแยกกันระหว่างตัวง่วงกับตัวตื่นอย่างเงี้ยนะตัวตัวมีความสุขตัวปิติมันจะแยกกันเราสังเกตเอาถ้าเธอคิดถึงความดีนะแล้วก็ยังไม่หายให้เธอสาทยายมนฑ์ สอยเยมมลอรังกสัมมาสัมโพภะวางนรือว่าแจกแจงหัวข้อธรรมอรังกสัมมาสัมโพภะวานแปลว่าอะไรกอดนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วความดีความงามน้อมเข้ามาใส่ตนถ้าเป็นความดีทางกายมันเป็นยังไงความดีทางวาจาเป็นไงความดีทางจิตใจเป็นยังไงคิดดีพูดดีทำดีอย่างนี้มันก็จะหายง่วงได้แต่ถ้าไม่หายบกกลายเธอ เอามือรูปเนื้อรูปตัวรูปหน้ารูปตารูปหน้ารูปตาให้สัมผัสมันชัดๆนะมันจะออกมาจากความง่วงได้ถ้ารูปเนื้อรูปตัวรูปหน้ารูปตาลูปแกนลูปขาไม่หายให้เอานิ้วหรือว่าขนไก่หรือว่าดอกหญ้าปั่นที่หูมันจะมีความรู้สึกความรู้สึกนําจะดึงออกมาจากความง่วงถ้าปั่นหูแล้วไม่หายให้ลุกขึ้น ไปเดินจงกรมถ้านั่งมันง่วงให้เดินจงกลมเพราะว่าการเดินมันไกลจากท่านง่วงจากท่านอนเดินแล้วเดินง่วงเนี่น้อยแต่ว่าเวลาทําความเปลี่ยนมันจะเดินแล้วก็ง่วงถ้าเราปฏิบัติจริงๆเราเห็นแล้วบางที่เดินแล้วเขาอ่อนเลยเดินไปเดินมาสุดวกเลยอย่างเช่นวันนี้มีเพื่อนของเราเดินชนคลองนะก็คือขนาดเดินก็ง่วงเหมือนกันเคยมีพระสัตรุดคนเขาบอกว่า เขาไม่เคยเห็นมาก่อนว่าการเดินมันยังง่วงขนาดนี้จนกระทั่งมือนก็ว่ามันฆ่าตัวชีวิตของเขานีได้เลยนะความง่วงฆ่าเขาได้เลยก็คิดขนาดนั้นเลยพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเดินง่วงแล้วก็ยังไม่หายนะเดินจงกรมไม่หายจากความง่วงเนี่ยก็ให้เธอไปล้างหน้าล้างตาซักอาบน้ําอาบท่าก็ได้ถ้าเป็นหลวงปู่เทียนก็บอกว่าให้เราแช่ผ้าไว้แล้วก็ช่วยเวลานั้นไปซักผ้าซักผ่อนใช่ ล้างห้องน้าก็ดาไม่ถือว่าผิดหลังจากอาบน้ําอาบท่าแล้วก็กลับมาบาเพ็นเพียนยังไม่หายมกลลาให้เธอสําเร็จสีหาสายญาติก็คือจำเป็นที่จะต้องพักแล้วเพราะว่ามันทาความเพียนมากร่างกายมันง่วงก็จะต้องพักให้มันสําเร็จสีหาสายญาติคือเอามือขวาเท้าคําศีษะเอาไว้แล้วก็ทาใจว่านอนแล้วก็ หลังจากนั้นเมื่อทำใจว่านอนเสร็จก็ให้ลุกขึ้นมาทาความเพียรก็มาต่อไปอันนี้คือคำพูดในพระสูตรแต่ถ้าเป็นแนวหลวงปู่เทียนที่ท่านเคยแสดงออกว่าเวลาเราแสดงเอียบทเคลื่อนมือซ้ำๆจิตมันจะตกประวังแล้วก็ง่วงก็ให้เปลี่ยนเจตนานิดหนึ่งเจตนาที่ทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ๆจิตก็จะมีนิสัยก็คือไม่ชอบ ก็จะเบื่อง่ายอะไรก็ตามที่ ซ, ซ, ซ, ซ้ำๆๆๆเขาจะเบื่อเพราะนั้นหลวงพ่อเทียนก็บอกให้เปลี่ยน E อียบดพริกมือตั้งเนี่ยปุ๊บก็มายกขึ้นมาปุ๊บนะแล้วก็เคลื่อนมาปุ๊บนะแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็ยกมือผดลมไว้ทนะ่านจะแสดงให้ดูหลายคนในที่นี้ก็อาจจะเคยได้เห็นแล้วหลวงพ่อเขียนนี่ก็บอกว่าอย่างนี้นะเวลาง่วงกันมา E อียบของท่านท่นานใช้เป็นประจําก็คือพริกมือปุ๊บแล้วก็หายใจเข้าลึกๆ สูดออกซิเจนไปให้เต็มปอดเลแล้วก็ยกขึ้นมาหลังจากนั้นก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นค า, า, านะร์บอนไดออกไซด์เสร็จแล้วก็เอามือมาที่สะดือหายใจปุ๊บแล้วก็แล้วก็มาที่สะดือท่านบอดแก้ง่วงใดดีของเราแต่ละคนแต่ละท่านก็ลองหาเทคนิคเอาเองกันแล้วกันบางคนบางท่านพอง่วงขึ้นมาก็หยิบกิ่งไม้มาแล้วก็เอามา คลึงๆๆๆไปด้วยก็ก็บอกว่าหายง่วงเหมือนกันหรือ be บ, บางคนบางท่านพอปฏิบัติง่วงนะก็ก็มาเดินอยู่แถวเก้าอี้เห็นไหมันมีเก้าอี้อยู่ข้างล่างนะก็เดินไต่เก้าอี้ไปไต่เก้าอี้มาก็บอกว่าหายง่วงอย่างเนี้ยบางทีมีการเดินถอยหน้าถอยหลังนะเดินหน้าเสร็จก็ถอยหลังกลับก็หายง่วงได้บางครงบางท่านก็เดินขึ้นบันไดพอง่วงมากๆก็เดินใต่บันไดขึ้นไต่บันไดลงก็หายง่วงเย่างนั้ อันนี้ก็เป็นวิธีการเทคนิคของใครของเรากันที่จะใช้ร่างาขันการเอกการใช้อีบทปลุกจิตให้ตื่นการนั่งการเดินการยืนการนอนแล้วก็เสริมเติมเทคนิคลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็สังเกตเอาแต่ท้ายสุดแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีนะตัวง่วงเนี่ยเขาจะมาไม่นานหรอกมาสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่ตัวง่วงก็อ่อนตัวลงไปหรือบางทีกระตุกทีเดียวแล้วก็หายนะ เช่นสงบตกทีเดียวหรือว่าเดินเดินเข่าสุดทีเดียวแล้วหายไปนะตรงนั้นจะมีความสว่างสวยให้เกิดขึ้นมานโดยที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนทีเ่เบื่ออะไรหรอกมันง่วงแล้วเราก็ทําความเพียรต่อไปพอถึงจุดหนึ่งมันสว่างแจ้งเจ้าเาไว้เองอันนั้นก็มีเหมือนกันท้ายสุดความง่วงก็ทนอยู่ไม่ได้เราได้เห็นโอ้ความง่วงก็ดับไปดับไปก็ยังมีวิธีก็ดับไปเนี่ยก็คือลักษณะของอนัตตา น, นั่นเอง การที่เขคงตัวคงเส้นคงวายอยู่ต่อเนื่องไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้นะเราก็เห็นแล้วอ๋อเขาเปลี่ยนไปได้เราก็จึงคล้ายๆกับว่าไม่ปฏิเสธไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามไม่ปฏิเสธทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลต า, านี้นะแต่ที่เอนกันก็คือเราไม่ใหนะ้อาการง่วงเป็นใหญ่แล้วก็พาให้เราไปนอนตรเนี้ยไม่พาให้เราเหมือนกับว่าลดละเลิกความเพียร อย่ามีความขยันแล้วก็ทําต่อไปในวันนั้นปฏิบัติทมหลังจากที่เราสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวในรูปแบบเป็นบ้างต่อมาก็คือทําความเพียรนะเรียกว่าทําให้ต่อเนื่องเป็นรูปโซ่นั่งเดินยืนนอนในรูปแบบนอกรูปแบบขยันก็แหวนใส่ใจลงไปทุกครั้งมันเป็นตัวความรู้สึกที่เราเจตนากระทําลงไปจนกระทังเหมือนกับว่าจิตของเรามันเริ่มมีความเป็นปกติมจะเริ่มแยกแยะได้ระหว่างตัวว่างกับตัวปกติ ตัวหลับกับตัวตื่นมันจะแยกได้ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวกระทบรู้สึกจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมาทันทีความง่วงก็หายไปทันทีเงี้ยถ้าก็เราไม่ได้ไปแก้อะไรเลยแล้วก็ทําความเพียนรู้สึกตัวรู้สึกตัวต่อไปอย่างงี้ยนะความง่วงนี่เป็นคู่ปรับแล้วก็ตรงกันข้ามกับตัวฟุ้งซ่านถ้าว่นเราเดินไปคิดไปส่วนใหญ่นะมันจะไม่ค่อยมีความง่วงเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเวลาเรานอ น, อนหลับ เวลาก่อนนอนถ้ามีอาการคิดฟุ้งซ่านเนี่ยจะนอนไม่หลับเลยนะถึงจะพยายามเคลื่อนไหวรู้สึกตัวขนาดไหนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับถ้ายังมีความคิดฟุ้งซ่านบวกอยู่ด้วยกันนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําความเพียรถ้าเราทําแล้วก็มีความคิดฟุ้งซ่านปรากฏขึ้นมาเราเห็นแล้วมันก็ไม่ง่วงนอนนะมันตื่นทั้งวันแต่ามันคิดทั้งวันเพฉั้นตัวง่วงดีก็คือมันมันทำให้ไม่คิดฟุ้งซ่าน ตัวฟูงซ่านก็นดีก็คือมันทําให้ไม่มีความวมุ่นเราอาศัยอารมณ์ที่กําลังปรากฏขึ้นมานะเป็นคู่ปรับของสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยอารมณ์เกิดขึ้นมาปับ๊บเราก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวต่อไปความคิดขึ้นมาปับ๊บเกิดขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรแล้วก็กลับมารู้สึกตัวมันก็จึงมีแค่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยต่อไปแล้วท้ายสุดก็คือไม่ว่าเราจะอาบน้าอาบผ้า ถึงจะนอกรูปแบบก็ตามก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ดีล้างถ้วยล้างชามก็ยังมีการเคลื่อนไหวมือยกขึ้นยกลงอยู่ดีรับประทานอาหารก็ยังมีการเคลื่อนไหวมือจับช้อนยกขึ้นยกลงอยู่ดีจะทําอะไรก็ตามก็ยังมีตัวกรรมาฐานเป็นตัวรองรับอยู่เสมอเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องรองการพูดการคุยเราคงจะน้อยลง น, ยน้อยลงน้อยลงไปเพราะว่าเรารู้ว่าขณะที่อยู่ตัวเองนะการไม่คุกกรีอะไรได้เห็นตัวเองชัดเลย ว่าเราเป็นคนอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าคุกคีก็มีบ้างเหมือนกันเช่นเวลาประชุมอย่างเช่นเมื่อเช้ า, าเานี้ยเราก็มาประชุมร่วมกันสามีกิจเนี่ยนะโดยเวลาลงปฏิโมกหรือเวลาประชุมเรามีการพูดกันถามการตอบกันตามกาลเทศะหล่อใ้บทสุนทนาหล่นี่เป็นการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเราก็จึงเหมือนกับว่าพยายามที่จะรับรู้เรียนรู้แล้วก็ฝึกตนสอนตนนะ อันนี้ใต่มากแร ก, กเราก็เริ่มเห็นพันตนการของมันแล้วเช่นถ้าเป็นพระสองฆอง์เจ้าที่เป็นลนักษณะของลักษณะสุขุมกุมรารชาติก็คือเราอยู่สบายเป็นข้าบาดีหรือว่าเป็นลักษณะอินทรีย์ที่เราเคยเป็นลูกคุณหนูมาก่อนเช่นเคยได้ดังใจเพราะว่าเราเคยมีทรัพย์แล้วก็เปนเปลือตัวเองมาอินทรีย์มันจะอ่อนตามสมควร นะนะทีนี้พอเรามาเริ่มต้นปรับตัวเข้ากับชีวิตของปนะลาเราก็จะได้เห็นว่ามันมีตัวพัฒนาขึ้นมาแล้วเช่นตเอาถอดรองเท้าเดินอย่างนี้นจนเท้ามันด้านเวลาเดินตรงกลงว่าเดิ น, ดนบิธาบาัดร่างกายของเราฉลาดเริ่มสร้างภูมิต้านทานขึ้นมารู้ว่าเมื่อก่อนยุงกัดเคยเป็นตุ่มคันนะแล้วก็เฟะเ ฟ, เฟตอนนี้มันเริ่มที่จะมีภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวแล้วก็วกัดแล้วก็ไม่เป็นตุ่มไม่เฟะแล้วแต่ก็ยังคันอยู่นะพัฒนาการ เริ่มมีขึ้นมาว่านั่งทำวัดส่วนมนหน้์นั่งท่าเ ท, เทพบุตรนะเคยเหมือนว่านั่งได้ประมาณ10นาทีตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาเป็นครึ่งชั่วโมงได้เต็มเลยนั่งท่าเทพบุตรโดยที่มันเจ็บก็ทนได้เมื่อก่อนเจ็บแล้วทนไม่ได้เงี้ยข้อเข่าข้อเท้าเงี้ยหรือว่าเวลาเราพันผ้าบิ ด, บดลูกบวบมันเคยเกร็งมือแล้วก็เมื่อยมือเงี้ยตอนนี้มันเหมือนก็าการเนื้อแข็งแรงขึ้นไปเงี้ยเป็นต้นหรือว่า เราเริ่มแยกแยะได้ระหว่างความคิดนะที่มันเคยคิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับว่าไม่เข้าใจตัวเราเองว่าทําไมไมันต้องคิดพอาเรามีความรู้สึกตัวมันกระดับลงไปจนกระทั่งเราอยู่มาประมาณครึ่งเดือนนะความคิดมันเริ่มอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเหมือนกับจิตสงบมากขึ้นเนี่ยนะเพราะสถานที่วิเวกนพอกายเราเริ่มวิเวกมันเกิดนจิตต่อวิเวกขึ้นมาจิตเราก็สงบขึ้นมาแล้วเกิดอุปธิวิเวกขึ้นมาะ ก็เป็นการไข้ครวญเห็นอาการของกายอาการของจิตอย่างเงี้ยเราจึงได้เห็นพันธนาการของมันยิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ย น, นะก็คงจะเป็นเรื่องของน่รรมที่เรามาเฝ้าสังเกตศึกษากายใจของเราล้วนๆเรียว่าความรู้สึกตัวหรือว่าเจริญวิปัสนาล้วนๆเจะได้ปัญญาร้วนๆก็คือเราไม่ได้ใช้ความคิดไข่ควรวญแยกแยะอะไรเราแค่ใช้การเคลื่อนไหวสัมผัสรู้สึกอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นว่าอ๋อ จิตของเรามันเริ่มฉลาดมากขึ้นเห็นการเคลื่อนไหวของกายแล้วเห็นความคิดที่เกิดดับเกิดดับกระดับเลยเราไม่ใส่ใจให้ค่าความคิดทุกๆความคิดนะก็เหมือนกับว่าจิตมันก็ฉลาดมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีความสุขกับการบวชเริ่มเห็นเป้าหมายเริ่มเห็นความหวังของการใช้ชีวิตนักบวชนะก็เหมือนกับผมเมื่อตะมาะเคยคิดว่าเมื่อก่อนจะบวชสักสปี ปีแรกภาษาแรกแล้วช่วงเดือนแรกเนี่ยก็ขบวนกบายใจพอสมควรเหมือนกับว่าเราเริ่มมาอยู่คนเดียวแล้วก็จวบกรรมาฐานซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรตัวสติปฐานตัวความรู้เนื้อรู้ตัวมันไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรแต่ตัวสัมผัสรู้เราจับได้อยู่ว่าการเคลื่อนมือพลิกมือน่ะสัมผัสรู้รู้สึกตัวนะ่ะจับได้อยู่แต่ว่าปริพเทศความกังวลยังมีมากเหลือเกินกังวลเรื่องงานที่เราวางมา กังวลเรื่องแม่เรื่องพ่อญนะาติพี่น้องกังวลเรื่องอบุตรนะที่มีอยู่จะต้องมีการศึกษาเนี่ยมันก็กวลนะกังวลว่านะที่เราอยู่คนเดียวแล้วก็มีศากษาลาสิงค์มันมีภัยอยู่มันมีงูในกลัวงูนะ่ามาเป็นคนกลัวงูแล้วกรังเกียจอย่างมากงนะูเจอไม่ได้คนลุกทุกทีงูนะจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันมันอยู่กับเราได้ยากแล้วบางทีมันก็นเลื้อยมาในกุศเลย มันเลื้อยขึ้นมาอย่างวันนี้จเจอเลื้อยขึ้นไปไดกุดแตตัวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลื้อยขึ้นไปไม่กลัวเหมือนก็ตอนที่มาบวชตอนเดือนแรกกลัวจริงๆแล้วบางทีมันเลื้อยขึ้นไปกินทุกแกนะ่เรียกว่าถ้าเขาอยู่เราไม่อยู่เลยมันขยักขยั่งลังเกียจอย่างมากเลยแต่ตอนหลังกลายเป็นว่าเออก็เห็นว่าเรากับเขามันอยู่กันได้มันก็เป็นมาหลังจากที่รู้สึกตัวมากๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีประสบการณ์ว่ามันมีงูเหลือมมานะตัวยาวมากแล้วก็ใหญ่ เขาอยู่บริเวณกุฏิสิบ่านั้นจะมีสัตว์อยู่เยอะมากลําจะมีหน้าผาอยู่ด้วยจะมีพวกหมูจงอางก็จะอยู่บริเวณแถวบนนะใครมาเห็นตัวบ่อยๆตัวนิ่มอย่างเงี้ยนะบางตัวแล้วก็เหมือนกัอยู่กับเขาได้เป็นมิตรต่อกันแบ่ง ม, มุมมดพวกนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นงูเมรรื่อไหร่เดินจะกลัวบางทีถือไม้ไปด้วยความกลัวขระดานนั้นเลยละ่ะกลัวจริงๆ แต่ต่อไปพอปฏิบัติมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมันก็มันก็ว่ามันเป็นเพื่อนกันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรความคิดกลัวก็ค่อยลดลงแล้หายไปก็เห็นพันธนาการของมันก็เลยคล้ายๆกับว่าพอเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยกับกลายเป็นว่าความสงบร่มเย็นนันก็เกิดกับเราเนี่ยละนะตกกลางที่มันมอนก็ว่ามีที่พึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของกายแล้วก็เห็น จิตใจของเราที่มันวาบไหวคิดนึกปรุงแต่งไปบ้างพอที่เราจะรู้ทันแล้วก็ช่วยตัวเราเองได้บ้างเมื่อทีก็ใสกราหมัดหลวงพ่อครูบาจารย์เวลาท่านมาต่ละทีแต่ละครั้งรู้สึกอบอุ่นอย่างเงี้ยนะมันก็พอที่จะต่อยอดไปได้อีกเราก็เลยสังเกตว่าบางทีนะช่วงไหนก็ตามที่เราหมดกําลังใจสังเกตว่าพอหลวงพ่อครูบาจารย์ท่านมานะ แล้วเราไปกราบท่านนะ่ะเหมือนก็ได้กำลังใจแล้วเราก็อยู่ต่อได้อีกสักพักหนึ่งหรือบางทีเนะี่ยออกพรรษาแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อครูอาจารย์ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่จะชี้นำหรือว่าสอนทำกับเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นท่านก็ไม่อยู่เราก็ว้าวเวประสมควรพอเราไปอีกวัดนึงที่มีครูอาจารย์ดังๆแล้วเราก็มีความศรัทธาเลื่อมใสแล้วบางทีเราก็อยากจะคลายอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์อย่างเงี้ยพอเราไปกราบท่านมันก็มีกําลังเหมือนกันอย่างเช่นว่า ช่วงที่บวชนะก็ได้ีโอกาสไปกราบเจ้าคุณประยุทธ์ประยุตโตนะที่กรุงเทพช่วงนั้นไปที่พืนทอมนตนแล้วก็มีความรู้สึกหนึ่งว่าอยากไปได้กำลังใจจากพระผู้ใหญ่นะพอไปกราบท่านปั๊บท่านก็พูดถึงเรื่องการเจริยสตนะิเป็นพระเมืองแต่ว่าพูดถึงเรื่องนะการปฏิบัตนะิน่าเชื่อถือมากนะ การอ่านอีกในพระไตรปิฎกนะตอนนั้นมันมีศรัทธาเรื้มใสขึ้นมาข้างในนะมีกําลังใจขึ้นมานะก็อาศัยกร ะ, ะมิดหลวงพ่อครูบาอาจารยนะ์เป็นที่พึ่งด้วยนอกจากนั้นการคาสอนนะที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านชี้นําให้กับเรา น, ะน้องก็มาศัยตนแล้วก็นํามาปฏิบัติต่อไป เราก็จึงมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คือบุคคลสปายะสถานที่สปายะนะเสนาสนะสปายะอาหารสปายะอากาศสปายะกนะาลยามิทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มุ่งที่จะเดินทางสู่จุดหมายไปทางเดียวกันก็คือท้ายสุดก็คือเราปรารถนาความไม่ทุกข์หรือเรียกว่าความสุขเกษมสารในชีวิตที่เหลือของเราเนะี่ยเราก็เพียรพยายามกันเราจึงมีทั้งความศรัทธาแล้วก็มีทั้งอุตติปัญญา น้อมสรุปจะประเด็นน้อมมาปฏิบัติเรามีความขยันลงไปภากเพียรลงไปแล้วก็มีความตั้งมั่นใจใจกับสิ่งที่เราทําความรู้เนือ้อรู้ตัวเราทําแบบไม่แวกแวกเวลาเราทําเราสั่งใจ ต, ตั้งใจใส่ความรู้สึกตัวทุกครั้งทุกขณนะทีมจะรู้ได้ตามกําลังของมันมันลงแล้วก็แล้วไปเราก็เริ่มต้นใหม่ทุกๆกขณนะจะตั้งเหมือนกับว่าสติมันจเจริญเติบโตให้เราได้สัมผัส แล้วก็เป็นคำตอบหายสงสัยต่อไปอะไรเห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลาเราก็ได้ใช้เวลาวันนี้มาทั้งวันแล้วจนกระทั่งถึงเวลาทำบัรสดวันเราก็มีโ อ, อกาสได้ฟังคำพูดกันก็ขอให้เวลาที่เหลืออยู่ต่อไปนี้ของเราก็จงเป็นเรื่องของการฝึกหัดดัดแปลงตัวเองจนกะทั่งเหมือนกับว่าสติตาในมันเจริญเติบโต ว, ว่องไวจนเป็นไหวพิธีการรู้รูปรู้น้ำจนกระทั้ง เห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกจนทั่งเราออกจากความทุกโดยใช้มักคาวิถีจนกระทั่งมันเกิดอาการต่างๆเดินทางเป็นมักคาวิธีมัคควิถีนะจนถึงเป้าหมายปลายทางที่เราหวังไว้ก็ขอได้บัรเกิดโดยทุนักการทุกท่านทุกคนทั้งเธอ